พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเอง เคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายใน จ, ใจิตใจ สำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามาหาสมุทรยังสู้อัดสู้ ร, รมที่บรรจุในพระไัยไม่ได้เพราะอันรมเหล่านี้ในพระไทยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมติทั้งหลายยังมีท่านสเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใด ปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นแอบประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพระาะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่สรงมักสงโพธิมบูรณภายในตัวเองไปสถานที่ใด มนุษย์มานาเทวดาทั้งหลายกราบบหายบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจรึไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธทังธรรมังสังขังสหนังคัตฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดง แม้อากับกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแกต่ตนในวารสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งประพุทธชาติยังทรงพระชนดูเพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรม ส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญจเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่จเจริญในแบบแผนตำหลับตำลาท่องบุนสังฆวัทยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นจเจริญด้วยความจดความจําต่างหากซึ่งต่างกันกันกบ ความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตอนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภาณในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นขั้นนานมากก็่วงโลยไปร่วงโลยไ ป, ยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุวันนี้ จะหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงมีมุตตพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งผู้จการนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมักทรงผลไม่ได้ แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราเอย่างนี้เป็นของดีแล้วเหรือสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัเพื่อทำแล้วมันควรจะน่าใจหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอก ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผาร่นจิตใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการ ความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิต ท, ที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสินน่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้ ก, กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นทําคันอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทงผลเราต้องวินิจฉัยไขขีดความเคลื่อนไหวไปมาของเรา ซึ่งเป็นตัวเหตุสาคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสาคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียน่งตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนี่รูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียง เข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อ น, นส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของจิเล่ซึ่งเป็นตัวชำนิชำนานครั่งตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้น แล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลน่นภายจิตใจใจจึงนี้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะ ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายุณะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัดเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลศมันทาหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มภูมิรายได้ของตนขึ้นจากการทางานของมันเพราะ อาศัยสิ่งสัมบัติสัมพันธ์นั้นเข้ามาพุ่นคิดภายใน จ, จิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใ จ, จแต่และดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีเนื่อท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย ให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเล่าใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนํามายุ่งเหยิงมุ่นวาพายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไร ไม่แค่จะหมุนบวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายหลายกอนแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเข็หลับทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับ ซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาะดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะพุทธปฏิบัติตามหลักาศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง เมือ่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกําลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกําลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงถึงกับหาขณะเบลลัมเวลาที่ทําจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกล้วนๆภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลําพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมอง ถ้าว่าเราจะมองมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็น ข, ขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเปี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นก้าสึและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีนี้แต่เป็นขณะที่กิเลส เหยียบย่ำทำลายภ า, ายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกันกบที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลาดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งโส ก, ปกโปกโสมมเต็มไปหมดด้วยกัน แม้แต่พราษาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคําว่าสิ่งโสกปรกโสห ม, มนี้แต่ท่านกดใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทําให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมี ทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่หนามั่นคงของใจนั่นเจริญขึ้นด้วยปัญญา เป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับกาดาแล้วจะเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบันไลไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิดมุตปลุกพ้นพที่เรียกว่าความเพียกรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายในจิตใจ พังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นครั้งที่เลสตัวโสกปรกสมมตอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดําเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิต ด, ดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละ แต่ผลที่ให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไม่โดยถูกต้องแลนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความบัง เ, เฉยๆ แต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุ ก, การบําเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมบังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคําว่าศาสนาจเจริญใครจเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกโลกเขาคิดกันเขาตําหนิติชิ้นนินทากันถึงกํานํามาพูด เป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเว ล, เวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดหาก่าคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมาก พราอจิตนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันหน้าตําหนิอยู่ทั้งอิริยาบทและแทบจะพูดได้ว่าทุกขนาจิตถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลําดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทํางานของมันที่เป็นสิ่งที่หน้าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตําหนิเป็นสิ่ง ที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หักจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิด ที่เป็นสติมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กาหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบุริกรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นาคาบุริกรมคาใดก็ตามเข้ามา ประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตาหนิหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตาหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่เราหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี่นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบ แล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั่นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจิงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทางานด้วยความราบรื่นโดยสม่าเสมอในเอียบทต่างๆนั่นและความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้ เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้ว ก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองแล้วจิตของเราก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวลา่าครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเ ว, เวลามพื่อเกิดประยู่์อะไรเพราะเวลานั้น ก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทําให้เกิดขึ้นได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมา และไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลกุญ揩อะไรและขาสาบกข้างหลายท่านบรรลุ ธ, ธรรมถึงขั้นอรหัตเราหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกกายอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนํำสถานที่กาลเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนํามาเป็นอารมณ์ ก็ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดําเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลําดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนําเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทํางานรุนรุนครั้งนั้น ท่านปฏิบัติทำได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วาการปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพุทธ ก, กาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตาอยาก ในการประกอบความเพียรและตะเกียกตะกายตนเมื่อเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกลึกนั้นว่าจะทําอย่างไรก็ไม่ไม่มีทางบรรลุได้ทําอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งผู้จัการเพราะมรรคผลนิพพานหมดเหตุหมดสมัยแล้วนี่ นี่คือกิเลสตัวสาคัญที่กล่ำเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงในตรัสรู้ธรรม บรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นประรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวล่ำเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปเดื่อนี้ให้สิ้นสุดบิมุตดหลุดพ้น จากมันในภายใจิตใจนี้ทําไมเราจะทําไม่ได้เพราะทำเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสทำเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การในไหนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายใจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านํามาปราบนอกจากจะมอบมอบตัวเองให้ จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบใชเอง ต, ง, ตงตั้งทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ทำของพระเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนํามาปราบให้แก่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเกียดสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราซึ่งหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทําอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทําประโยชน์อะไรได้เมื่อไรจ <c oughs> ิตเมื่อทําตัวให้เป็นสูงให้ใหกิเลส ที่ลดเยี่ยวลถแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรเนี่ละให้พากันพินิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั่นมันเป็นเบล่ำเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเหล่านี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทําลายเราได้ทุกเวลา ทรมานเราให้รับความทุกข์ความลําบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนําเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิรยาบททําไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลส ราคาตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระไทยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทําไมถ้าเรานำํำทำเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทําไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกําหนับยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตํำรับตาลาดโดยสมบูรณ์ มันหลงอะไรหลงหนังอืถ้าพูดถึงเรื่องหลงคนก็หลงหนังหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูะอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นวิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลสร้อยเปอร์เซนให้มันลากมันถูไป จดจดร้อนร้อนด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่าไหร่ถ้านาธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานะคะารตาตโจย น, นี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของมุูดิเจ้าอะไรจะคม ยิ่งกว่าละเอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลูก่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั้นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจุดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้โดยเช่นความรักกิจมันเคยรักมักกี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้ว มันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี้เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทําไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิถ้าใช่ช ท, ำชทำเขาใช้ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเทียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกทุกแน่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเหล่านี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามันคงเป็นสักดิ์รีพยานซึ่งกันอากันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบ ร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจด่าดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี้นี่เราคือยากแก้ราคะตันหาตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะ การเพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองอทั้งคนโงค่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เยียบหัวไปหมดแล้วภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัว ส่วนกองฟืนกองไฟที่กอบเผาซึ่งกันอากันนั้นเต็มโลกเต็มมงศารไม่ได้คำหนึ่งเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหัวเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หยุดพ้นจากทุกข์ได้ ส, สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราเนานี่พูดกันทั่วๆไปหมด ไม่ว่าฝ่ายคราวาสไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลศ ต, ตัวนี้ได้ฝังจมกันไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้าขีาขาดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่แหละเราพิจารณา ส, สิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ทิพหายวายปวงไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุค มากน้อยหนักเบาม า, มานานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ถ้าไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชือ้อใส่เข้าไปเชือ้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจุดเมฆนุ่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชือ้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะ เพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตันหานี่เสริมเท่าไรมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโรคถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไปถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำทำเข้าไปขิดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โรค ก, ก็พออยู่พอเป็นพอไป มีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตะปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตขเหตุผล สกัดลัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่แช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวทางที่ท่านกล่าวไว้ว่าการ ม, มาคุณแปลว่าอะไรคุณของกามน่หรือว่ากามเป็นคุณไปออกเปน็นางินแล้วทํายังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัด้วยทำคือมีธรรมเป็นเครื่องกํากับ มีทางเป็นทเป็นเปรืกห้าหมลอ้อมีทาเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตารทำแม้กิเลสมีก็ไม่ให้นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสการมราคะอยู่ภายในฤฤจิตใจก็เป็นการมาคุมต่างคนต่างร่วมเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้ ส, ส, ส, สัชสัจสุจริตต่อกันนี่คือ เป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอาจมีทํากามเมสมิตรฉาจารไม่ล่วงล้ําเขตแดนของการการรมนี่แหละคือรั้วกัน้นพิเลสศกามเหล่านี้หรือกา ม, มากุลเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลูกนอกทางอันจะไปกอบความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนําสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผล ให้ต่างคนต่างรักษาอย่าเป็นต่างคนต่างทําลายจะเป็นต่างคนต่างทิ่หายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ปืนแตบไฟเท่านั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีทำเข้าไปจิดการห่วงห้ามหรือกัอ้นจป็นเขื่อเป็นแดนสิ่งที่เป็นปืนเม็นไฟไม่ให้มันเผาไม่จนเกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนอม พปชนะเลยนี่หละเรื่องธรรมมีความจําเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้แบบเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดิมธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทําลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรม เป็นน้ําดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่อดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ํายอกเท้านิดหนึ่งกท่นั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก้อนี้ให้กิเลตมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อราร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อรำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่ จะสามารถที่ตะเกียบตะการให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้ อ, รอนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหาร ข, ของไข่ก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่งั้นเกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน <c oughs> ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวจะพ่ะ อ, อย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสาคัญมากนะ <c oughs> หน้าที่การงานอะไรไม่มีเขาให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเลื้อยเปลือยยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดี อิเดียบ ท, ทั้งสีมีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องเลยตะเกียบตะกายให้ลําบากลาบนที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ทําให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หาไมใ้ให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระน่ถ้าเราไม่นอนใจเสียเ อ, ง, อยงนอนหลับทับผิดของตัวเองเสียทั้งนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายยิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอ น, ถอนแล้ววันตายก็นั้นกี่กับกี่กัน ก, ก็ต้องไปเหมืนอนย่างนั้นแหละอยากเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนจัตราวุธมีอยู่แหละ วางกองพเพอิญเทินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารวานข้าวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสนุปประโยชน์ไหมหาความสเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าสําหรับบุคคลประเภทนั้นนี่คือวันกันธรรมะมีอยู่มีอยู่จะนํามาแก้กิเลสขด ถ, ถอนกิเลสไม่ยอมนํามา ปอให้ตะกีดเดียดเหยียบย่าทําลายหัวผ้าหัวเนีนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่สิน่าคิดน่าทุเล็มากนะ ย, ยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตตริหาเรื่องหาราตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนีน เราไดป้ปฏิบัติบวชมาทแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอารยธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำํำสอนมูเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นั้นแล้วทาไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นข่าศึกต่ออา่อธรรมต่อศาสนาต่ อ, าาตอพระต่อเนนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทําลาย เพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะที่งเป็นเหมือนคารวาสเขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทานกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างเหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้เหรือเ้าของต้องละอายหีนีนโอตตปะดูกับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเหลวที่สุดนัน่สะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหารชานชัย อยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมักปุณิภัณไม่สนใจพี่นาสิพระเนนเราเป็นยังไงมันน่าสะลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสะลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกวเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนนที่โลกกราบไหวบูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลก ตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินกับการอาการแสดงออกของพระของเด่นก็เผาไปตั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็ น, นปืนเน็นปลายแก่บ้านแกเมืองแก่โลกแก่งศารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหมเลยแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิพฤภารปฏิพฤปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเตืนพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันหันก็ พุทธังทำบางทางกลงสนังกถามนี้ได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วไปยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มูดแต่คูดเต็มในในส้วมในฐานนั่นเหลยวันหนึ่งวันหนึ่งจมในในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้ามันจะขี่พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้น่ะ แล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อนนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่โศกระปลวกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทําไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราดท่านว่าถือว่าเป็นของดิบของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งตั้งเลยห้าถวิไปแล้วเหรอที่นาสิหน้าคิดหน้าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มิตพินิจพิจารณา ใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภยัยใครจะฝืนพิจารณาจิตธรรมะเ่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วชา้าละมกไม่มาติดเนื้อติดกาติดใจเราต่างหากทาไมเราจึงชอบเอานักหนา ก, กับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวอืมองดูอากับกิริยามีแต่ขี้ แสดงมาจากความขี้โลคขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี้โซกัปกขนาดไหนที่ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปแล้วเราผ่านไปได้นะไม่ได้โซกับปกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โรคขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวเนินยีเดียมายาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีมีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทําไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นผ่านแล้วทําไมจะไม่ จึงไม่รู้เรื่องความซกเปรกของตัวเองที่มันแัดแดงที่ตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นจะชัดตั้งนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ฉันแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถื่อมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำยูอย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนเมันไฟเผาขจานนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้ว แล้วไม่มีทางที่จะให้หาความถูขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยืนนะยู่เถอะว่างั้นเลยเลิกไม่มิไม่ต้องไปพูกกันไม่ต้องเสียดสันความเสียดสันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ท่างจเรียกว่าโล ก, กธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสีมาสันพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนําไปพื้นปฏิบัติตมาศึกษาวรวมก็มากกว่ามากนี้ผมกระทนจะว่ายังไง ตั้งห้าสิบหกสิบก็ไปโดยลําดับลําดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการฝึกปฏิบัติตัวยามาด้วยเย่อโยเยในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจากัจฉริยะคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกปัญญานี้แล้ว ให้นำไปคิดนักปฏิบัติการมิดาบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลูกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิดาบาตัตท่านบิดาบาตัตเป็นวัดคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความชั่งดุลระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนจะมาลุกลี้ลุกหลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงาม สวยงามภายในใจภายในทำภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหากงามออกไปข้างนอกถ้าสกปปกรกรุงดังตรงนี้แล้วก็จะสกโปกระบาดสากระจาไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปปกไปที่ไหนเป็นยังนั้นอืมอ่ละตอนนี้พอเนี่ยพูดถึงเรื่องผ้าเนเรเหล่านี้ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชนะโอ้ทุเลศจริง ไม่ว่าท่านว่าเราเนะี่ยคือไม่ได้ตาหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุ้แห่งตงุ้หวินไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมดุลแรงมากนะและยิ่งเสริมด้วยซ้ําไปแล้วยิ่งไปใหญ่เวลานี้ี่ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันฆรวาสเหมือนกันพระเหมือนกันอมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันหมดไม่มีเบรกเลยนะี่จะว่างผมในวิโต ว, วิจารณ์ เรื่องไฟฟ้าเขาวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าลวงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่านเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรออืมเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลลงไปว่ากันการพิพจารณาตามเหตุผลว่ากันเรื่องไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี้วัดกรรมาฐานเนาะมันสมบัติอะไรมันจําเป็นอะไรกับไฟฟ้าไปแถงอะไรนี่ เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัตมันเข้าแล้วที่นี่เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นนะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนนจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี่ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไปอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลือเลยนะนี่เราวิโตวิจารณ์มาก หนึ่งจว่าให้หมูให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันไม่ยินเสลงมีอันนี้แล้วมีซากปุ่นง่ายนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตายแล้วอิเลี่ยงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอียงอีการเรื่องมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยูน่นี่คอยดูจังหวอะอตัวไหนจะลงก่อนหรือหลังพอตัวหนึ่งลงพับนี่มันจะพึกหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นอังี้ นี่อิรัยิกามันลงกินซาบเป็นอย่างนั้นนะอืมเวลานี่ก็เหมือนกันซาบมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีรักยะกาคือใครคือพระคือเนนเหล่าเนเดี๋ยวนี้คอยยังมี ม, มีอะไรเท่าไับว่าอนั้นก็ ย, ยังจะมหีหรือว่ามีจังคอยจังหวะอืใครจะมีใครมีก่อนมีหลัง ในส่วนจะกเก่งใจครูวาจาย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เกง่งกันแ้วหรอมันเลยด้านด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านด้านไหนไหม่ทราบมันด้านต่อด้านด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือต้ามันจะพรึบหมดเลยทีนี้อา้าวสอนพระเด่นถ้าลงอันนี้จะเข้าตรงไหนแล้วหมดหมดแบบนั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มั น, มนทําความจเจริญให้ที่ไหน ทำช้อนไม่แล้วให้หลีกให้เว้นก็ ม, นมีอยู่ในอัณฑธรรมมันหากว่าห า, ามาเผาหัวมันอะไรพี่นาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใจหมูใส่เพื่อนนะเราพูดนี้เพื่อความเสียหายแก่หมูเพื่อนหรือเพื่อความดิบความดีอัฏฐธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาพิจา่นาซิสิ่งอันนี้นพระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมท่านพามีเหรอในอัณฑธรรมก็ประกาศลั่นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตัดสรุป ท, ที่แรกหนึ่งเพียงสต่นัตจีแต่ว่าท่านนี้มันก็พอเลยใช่หมล่ะ ฟังสช่งั้นนั่น น, น, นั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้ยนหน้าทุเรียนนะอี่ทําไงยิ่งได้อดยิ่ตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมอสเสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมไปอย่างนี้อืมตำรับตารามีในตู้ไหนคมภีรไดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันรู้แต่สิ่งเนี้ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี้ยอืม มันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้ที่ดูนี่มันก็ได้อนี้่ส่ดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจเลยสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนกับไฟศาสนาเสื่อมศานาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิที่ยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่นี่เราพูดลงผ้าลงเนินแล้วสําหนับคารวะกัมาตังว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีความเกียรต เห็ุผลอะไรเนี่ยเด็กเด็กน้อยกับคิดหายไปหมดเวลานี่ยดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนระเป็นั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นกติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแก่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าขอ ง, ของก็ไม่มีแต่พอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงนสมกับว่าปัญญาชนือตัวเป็นแค่เองไม่ทําไมแหลกหมด นี่อดวิตกไม่ได้นะผมมันวิตกตลอดนี่มันก็ไม่ผิดใช่ป่าวไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมาฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่กุญแจาย์มั่นเรานะบางวันอาจมีอยู่แล้วหลบๆซ่อนๆนี่แหละมันน่าทุเรศ น, นะมันด้านข้าวัวนด้านข้าวตวน อ๋อางนั้นก็เอาวิเลยเข้าไปเกียบทําเข้าไปให้หนักเข้าไปยังที่กาดตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเหตุมจสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรก็ ค, คือไฟเผาหัวใจนี่นพอหาอันนี้นี่ ห, หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอนัททาให้เจอทํำไงทํามีอยู่นี่ทําได้สูดไม่จะโลกเมื่อไหร่ที่ไหนอวิเลยเป็นชั้นใดทําก็เป็นฉันนั้น หาอะไรมันก็เจอที่เหมืนเกเรมีอยู่ทำมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่ทุกมีอยู่ทุสมีอยู่หาเท่าไหร่จะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าสอนสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตรีมาสอนเราตาฟ้าฟ้างฟางอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่ในสิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่ในสิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่ในสิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนํามาแก้ไขตัวเองเเเพื่่ออสสงงริตัวน แล้วทำไมจะไม่ได้ทำวนี้สดร้อนๆกัางวันตลอดเวลานี่ระหว่าอยู่ทุกแห่งทุกแห่งนี่ที่มันไม่สนใจนั่นแต่โอ้รู้เลยโอ้อดคิดไม่ได้ลงหมดอย่างนี้้ศาสนานี่หมดเสื่อมเชื่อมอย่างนี้เอ๊่เสียงนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่แต่เรื่องกืญแเรื่องไฟถึงเวลาจะ ทำความภาคความเพียรัึงเวลาจะไหว้ผ้าสวดมนต์ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนเวลาไหนแล้วเสร็จพรเนรไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันมันอุจารบาทตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนรโอโ้